สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์พิบาวนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิต ท, ทั้งที่ห้าสิบเก้าเรื่องฉลาดจริงพระธรรมสุภาษิตวันนี้บทที่สิบข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าครับโปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้าสุภาษิตของโซโลมอนมีดังนี้ลูกฉลาดทําให้พ่อสุขใจยินดีส่วนลูกโง่เขลา ทำให้แม่เศร้าใจสับสมบัติที่ได้มาอย่างทุจริตนั้นไม่จีรังยั่งยืนแต่ความชอบธรรมช่วยกรอบกู้ให้พ้นจากความตายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงปล่อยให้คนชอบธรรมหิวโหวยและไม่ทรงปล่อยให้คนชั่วร้ายสมปรานามือที่เกียรติค้านทำให้ยากจนส่วนมือที่ขยันหมั่นเพียรทำให้มั่งคั่ง ผู้ที่สะสมขืดผลในฤดูร้อนเป็นลูกกี่รอบครอบส่วนผู้ที่หลับไหลในฤดูเก็บเกี่ยวเป็นลูกที่ทำให้ขายหน้าพี่น้องครับพระธรรมสุภาษิตนั้นตั้งแต่บทที่สิบถึงบทที่ที่สิบห้าจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ชอบทาเปรียบเทียบกับชีวิตที่ชั่วร้าย พระธรรมสุภาษิตรตรงนี้ในจำนวนหกบทด้วยกันนะครับถือว่าเป็นสุภาษิตของกาซาโซลมอนที่ได้เขียนสอนบุตรชายของตนแน่นอนครับกษซาโซลมอนนั้นมีมเหสีรีและมีพระสนมมากมายเพราะฉะนั้นจึงมีลูกหลายคนเด็กๆด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นอยู่ในวังครับและเขาถูกสอนเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ปกครองเป็นนักปกครองเป็นนักรักฐาศาสตร์ จะต้องมีสติปัญญาแน่นอนครับคําสอนเหล่านี้เป็นคําสอนที่มีคุณค่าสูงเมื่อเราทั้งหลายซึ่งไม่ได้เป็นลูกของกษัตริย์ซูรมอนเราได้มีโอกาสอ่านถือว่าเป็นสิทธิพิเศษและเราได้มีการเรียนรู้ก็ถือว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสตั้งใจนะครับฟังหรือเรียนหรือศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในช่วงปัธจุบนนี้ด้วยความจดจ่อครับ สุภาษิตตอนนี้นั้นถือว่าเป็นตอนที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์สุภาษิตเพราะว่ามีคําสอนนะครับข้อบทที่สิบถึงสิบห้านั้นมีถึงหนึ่งร้อยแปดสิบสี่คำสอนและในบทที่หกถึงบทที่ยี่สิบสองนะครับมีคําสอนอยู่ทั้งสิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดหรือหนึ่งเก้าหนึ่งคำสอนรวมกันนะครับสองตอนก็คือเป็นทั้งหมดสามร้อยเจ็ดสิบห้าคำสอนด้วยกัน ตังแต่บทที่สิบจนถึงบทที่ยี่สิบสองครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเยอะมากเลยทำไมมีเยอะมากสามร้เจ็ดสิบห้าคำสอนเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับยังถือว่าน้อยครับเพราะว่ากษัตริย์โซมอนเขียนจริงๆนะครับมากกว่าสามพันข้อซึ่งปรากฏบันทึกอยู่ในหนึ่งพงกษัตร์บทที่สี่ข้อที่สามสิบสองพี่น้องลองเปิดไปดูนะครับเราจะเห็นว่ามีการระบุไว้ว่ากษัตริย์โซมอนนั้นเขียนมากกว่าสามพันข้อ แต่ที่นี่นั้นเรารวบรวมกันมาได้นะครับอยู่ได้375คําสอนเท่านั้นแท้จริงครับพี่น้องขณะที่เราอ่านสุภาษิตนะครับเนื่องจากมีคําสอนเยอะแยะครอบคลุมทําให้เกิดคําสอนในหลายๆหัวข้อที่หลากหลายครอบคลุมทุกด้านของชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันจึงมีคําแนะนําครับว่าเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์สุภาษิตอย่างน้อยนะครับ วันละหนึ่งบททุกวันครับก็มีทั้งหมดสามสิบเอ็ดบทนะครับก็จะครบเดือนพอดีแล้วก็จะวนกลับมาอ่านใหม่ทีนครับเราไม่รู้หรอกครับว่าแต่ละวันหัวข้อไหนจะโดนเราครับนะครับพระเจ้าจะใช้พระคัมภีร์ตอนไหนหรือคำสอนช่วงไหนนะครับที่จะทำให้วิญญาณจิตของเราได้เข้าใกล้เจรินกับพระเจ้าให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกในด้านจริยธรรมคุณธรรม ในด้านของการตัดสินใจเพื่อที่จะทํางานหรือดําเนินชีวิตเพื่อครับเราไม่เคยรู้ครับว่าแต่ละวันหัวข้อไหนจะมีความจำเป็นมากที่สุดซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นจะจัดเตรียมให้กับเราซึ่งเป็นผู้อ่านอย่างตั้งใจนะครับและการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นจะเป็นอย่างน่าอัศาจรรย์ครับหลายคนนะครับที่ได้ฟังเสียงสีบาลเนี่ยเขาจะตอบสนองมาในลายส่วนตัวผมบอกว่าขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเขากาลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่พระกัมพีตอน แต่ละวันในแต่ละวันของเสียงสีบาลนั้นก็ทําให้เขาได้มีโอกาสได้คอนเฟิร์มยืนยันนะครับว่าเป็นน้ำมัธยของพระเจ้าและเป็นการทรงนําของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้ายัางใช้ผมอยู่ยังใช้พเจ้าของพระเจ้าเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสารู้จักกับพระเจ้าและทําตามน้ำมัยของพระเจ้าอย่างเต็มที่เต็มขณะพี่น้องครับเราจะมาดูกันนะครับในข้อที่หนึ่งคำสอนตรงนี้ก็คือคนพิจารณาจริงจะต้อง รู้จักฟังคําสอนและเห็นคุณค่าของคําสอนของบิดามารดาหรือบรรพชนบรรพบรุษ ท, ที่รักพระเจ้าชีวิตของเขานั้นนะครับของคนที่ฉลาดจริงของลูกที่ฟังฟังคําสอนของบิดามารดานนะั้นจะทําให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจนะครับจะทําให้คุณพ่อคุณแม่นั้นชื่มชมยินดีพีน่น้องครับเราเห็นนะครับเด็กๆของเราไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเราใครก็ตามที่เชื่อคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นั้น เขาจะทําให้คุณพ่อคุณแม่นั้นสุขใจยินดีแต่ในทางกลับกันครับลูกที่โง่เขาก็จะทําให้คุณพ่อคุณแม่นั้นเศร้าโศกเสียใจนี่เป็นประการแรกถ้าเราฉลาดจริงต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครับข้อที่สองครับพลังชักอธรรมไม่เป็นกําไรหมายถึงอะไรครับหมายถึงทรัพย์สมบัติที่ได้มาอย่างทุจริตก็ไม่จีรังยั่งยืนตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มา ยังไม่ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นการทุจริตหรือจะเป็นการขโมยการโกงจะไม่ประโยชน์เพราะในีสุดนะครับมันจะเสื่อมสูญไปและที่สําคัญคือว่าเมื่อว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่มันไม่สามารถยับยั้งความตายได้ครับและที่น่าสงสารก็คือว่าหลังความตายนั้นยังมีการที่ภาคฉารออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ทํายังไม่ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยการโกงการคอรัปชั่นนะครับหรือทุจริตนะครับ มันจะไม่สามารถที่จะช่วยคนคนนั้นในที่สุดพี่น้องครับเงินที่ได้มาอย่างไม่ซื่อสัตย์อาจจะซื้อความสุขได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือซื้อความสุขบางอย่างได้เท่านั้นเองนะครับหรืออาจจะให้คุณค่านะครับความสุขแบบชั่วขณะเดียวขณะหนึ่งเท่านั้นเองชั่วคราวครับแต่ในที่สุดจะไม่ให้ความพึงพอใจอย่างถาวรหรือจะไม่ได้ชีวิตอีกหลังต่อไปครับเราจะดู คนที่ฉลาดจริงข้อสามถึงข้อห้านั้นจะต้องขยันขันแข็งครับข้อสถึงข้อห้าไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนเกียรติค้าและคนขยันผู้ผู้ที่บุตรชายนะครับหรือผู้ชายที่ชอบฉะสมในฤดูแรงนะครับถือว่าเป็นคนที่ฉลาดครับรู้อนาคตเตรียมเสบชิงไว้เลี้ยงตัวเองล่วงหน้าแต่ในขณะที่คนเกียรติค้า น, นั้นเขาจะนอนหลับในฤดูเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นฤดูแห่งการทํางานเป็นฤดูของจาไร เป็นฤดูของการตักตวงเอาสิ่งที่เขาได้หวานมานะครับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาจากการรอคอยถึงเวลาจะต้องเกี่ยวเขาต้องลุกขึ้นมาเกี่ยวอย่างเข้มแข็งแต่คนคนนี้ที่เรียกว่าคนเกียดค้านั้นหลับครับฉะนั้นเราจึงควรสอนลูกหลานนะครับของเรานะครับผมสรุปในหกในในห้าข้อนี้ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้านะครับของุภาสิทธบทที่สิบในวันนี้ ผมขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าเราควรสอนลูกหลานของเราให้มีลักษณะนิสัยนะครับหรือสิ่งที่ปลูกฝังเข้าไปอยู่ในใจลึกๆของเขานะครับประการแรกก็คือให้มีจิตใจที่เชื่อฟังเชื่อฟังคําสอนบิดามารดาที่รักพระเจ้าเชื่อฟังผู้ใหญ่ที่รักพระเจ้านะครับเชื่อฟังพี่เลี้ยงที่รักพระเจ้าเชื่อฟังผู้รับใช้พระเจ้าที่รักพระเจ้าอันนี้เป็นประการแรกครับประการที่สองครับเราต้องสอนลูกหลานของเรา ให้มีชีวิตออกห่างจากการคดโกงคอร์รัปชันทุจริตอธรรมทุกอย่างนะครับข้อที่สามครับพระเจ้าจะเป็นผู้รักษาสัญญากับคนชอบธรรมพูดง่ายก็คือว่าพระเจ้าการันตีและรับรองคนชอบธรรมว่าพระองค์จะทรงอวยพรและพระองค์จะไม่ปล่อยให้คนชอบธรรมหิวจนกระทั่งต้องไปขอทานเขากินหรือเป็นขโมยหรือคดโกงคนอื่นข้อที่สี่ครับ เราจะต้องสอนลูกหลานของเราให้ขยันขันแข็งต่อ ง, งานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเรียนการฝึกฝนวินัยตั้งแต่เด็กนะครับเพื่อที่ว่าเขาโตขึ้นเขาจะประสบความสําเร็จและที่สําคัญครับเราต้องฝึกวินัยในการมาโบสถ์มาการเรียนระวีมีใจรักการศึกษาพระธัมภีร์มีใจรักในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับมีความเป็นวินัยในเรื่องของการอธิษฐานทูลขอจากพระเจ้านี่นะครับ เราต้องใช้ความอดสหอดทนความยัขนขขยันขันแข็งเพื่อได้มานะครับซึ่งความสําเร็จและแทบรางวัลก็คือความมั่งคั่งมั่นคงนั่นเองข้อสุดท้ายครับเราต้องสอนลูกหลานของเราให้เป็นคนอย่างรู้ครับคนอย่างรู้ก็คือคนที่มีสติปัญญาสามารถคาดการคาดเทเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นเขาจะมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าและจะเก็บสเสบียงเตรียมตัวครับเขาเรียกว่าเก็บเบียงไว้เลี้ยงตัวสั่สมไว้ในฤดูแรง เป็นการเตรียมการเฉพาะหน้าอย่างถูกต้องต้อนรับสิ่งที่จะมาถึงในอนาคตทั้งห้าประการนี้นะครับขอฝากไว้ในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอาเมน